22. สติที่ใช้เจริญสติปัตฐานวงเล็บเปิดแมิถุนายน2551ัในวงเล็บสองจุดจุดนาที12วงเล็บปิดตรงที่ทำฌานไปเนี่ยนะก็ยังไม่เรียกว่าสัมมาสมาธิหรอกคำว่าสัมมาสติสัมมาส ม, มาธิอะไรนี่เรียกโดยอนุโลมเพราะสัมมาสติสัมมาส ม, มาธิจะไปเกิดพร้อมๆกันตอนที่เกิดอริยมรรคเท่านั้นนี่เราเรียกแค่อนุโลมเอาเท่านั้นแหละ เรียกแบบบำรุงขวัญเอาไว้ก่อนฉะนั้นตอนที่เราทำสมาธิจนใจเราตั้งมั่นมีสติรู้อยู่ในอารมณ์กรรมฐานอันเดียวมีสติมีสมาธิแต่ว่าเป็นสมถะพอถอยออกมาสู่โลกภายนอกแล้วนี่สติระลึกรู้กายสติระลึกรู้ใจถึงจะเรียกว่าสติปัฏฐานแล้วใจก็ตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่ตั้งหากพอใจตั้งมั่นมันจะระลึกรู้กายและเวทนาชัดถ้าไม่มีสมาธิหนุนหลังใจจะไม่ตั้งมั่น รู้กายละเวทนาไม่ชัดหรอกกายละเวทนาเป็นอารมณ์ที่หยาบเป็นอารมณ์ที่รุนแรงมันจะดูดเอาจิตเข้าไปเกาะไว้แน่นเลยเพราะฉะนั้นเวลาดูกายปุ๊บเวลาที่จิตไม่ตั้งมั่นจิตจะไหลเข้าไปอยู่ในกายเลยเช่นดูท้องพองยุบนะจิตไหลเข้าไปอยู่ที่ท้องยกเท้าย่างเท้าจิตไหลไปอยู่ที่เท้าดูลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจ แต่ถ้าจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นะสติเกิดระลึกรู้กายก็เรียกว่ากายานุปัสสนาสติระลึกรู้เวทนาเรียกเวทนานุปัสสนาอันนี้ถึงจะเป็นสติที่ใช้ได้เรียกว่าสติปัฏฐานถ้าดูจิตตอนที่เรารู้สภาวะก็เกิดสติปัฏฐานที่เรียกว่าจิตตานุปัสสนาโดยทั่วไปเราก็บอกว่ามีสัมมาสมาธิรู้กายรู้ใจ แต่ความจริงมันก็คือการเจริญสติปัฏฐานที่รู้กายรู้ใจอยู่เท่านั้นเพราะว่าสัมมาสติจะเกิดตอนที่เกิดอริยามรรคเพียงขณะเดียวเท่านั้นเองที่เรารู้อยู่ทั้งวันนี่เขาเรียกว่ามรรคเบื้องต้นไม่ใช่มรรคแท้